บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไประยะแห่งคำกราบทูลของท่านอุทยานพในข้อที่ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายต้องการปัญหามาเฝ้าพระองค์ผู้ประทับอยู่ คำว่าประทับอยู่นั้นท่านอธิบายไว้สองนัยยะด้วยกันนัยยะหนึ่งก็คือสถานที่ประทับในขณะนั้นได้แก่ปาสาณเจตีเป็นการเสด็จประทับอยู่โดยพระรู ป, ปกายแต่คําว่าประทับอยู่ของพระพุทธเจ้านั้นอีกความหมายหนึ่งท่านบอกว่ามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ซึ่งหมายความมาหลังจาก ศัตรูพระอนุตตรสมาสัมโพธิยานมาแล้วพุทธเจ้าได้ทรงจบภารกิจที่จะต้องทำทั้งสวนละความชั่วและการประพฤติปฏิบัติความดีกลายเป็นผู้คงที่คือไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าก็อยู่ด้วยธรรมะตลอด เป็นความเคลื่อนไหวของธรรมะซึ่งโดยพื้นพระอัยารัยแล้วก็เป็นโลกุตรจิตแต่ว่าเพราะเกี่ยวข้องกับคนอยู่เป็นนันมากพู้เจ้าจึงใช้โล ก, กีจิตหรือกามาวจรจิตผู้จากับชาวบ้านแต่ว่าพระทัยของพระองค์ก็ดำรงมั่นอยู่ในธรรมและธรรมะที่ถือว่า เป็นหลักเป็นเครื่องอยู่คือเป็นปกติของพระพุทธเจ้านั้นท่านจำแนกแสดงไว้เป็นนั้นมากเฉพาะในที่นี้จะกล่าวโดยประยายหนึ่งซึ่งเราสวดยกย่องพระองค์ว่าทรงสมบูรณ์โดยวิ ช, ชาคือความรู้และจรณะคือความประพฤติตามนัยะของพระพุทธคุณคำว่าจรณะได้แก่ความประพฤตินั้นซึ่งหมายถึงว่า เป็นการดำรงพระองค์อยู่ปกติเป็นอย่างนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นประกอบด้วยกลุ่มธรรมใหญ่สามชุดด้วยกันชุดแรกประกอบด้วยธรรมสีประการคือศีและสัมปทาพระพุทธเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยศรรีไม่มีอาการแสดงออกทางกายทางวาจาที่ให้วิปริตผิดปกติไปแต่ประการใด ซึงก็หมายความว่าสีนั้นเป็นปกติของพระองค์เป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นสีนอยู่โดยปกติซึ่งในชั้นนี้ผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมะตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ต้องเดินไปตามปฏิปทาของพระพุทธองค์คือจรณะเช่นเดียวกับพระองค์อันเป็นส่วนของ การบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนและทางดำเนินของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้ามศีลสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นก็จะแนกออกไปในชั้นต่างๆมองแล้วาคล้ายๆกับว่าการทํางานในจุดใดจุดหนึ่งก็มันเสร็จไปในแต่ละจุดถือว่าสาหรับจุดนั้นก็มีความสมบูรณ์แล้วในจุดนั้น หรือตำนองการศึกษาและเรียนของนักเรียนแบ่งเป็นชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมเมื่อจบไปแต่และชั้นก็ถือว่ามัธยมบริบูรณ์หรือประถมบริบูรณ์เป็นความบริบูรณ์ในแต่และชั้นแต่การศึกษาเหล่านั้นก็มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตลอดสายการปฏิบัติในชั้นศีลที่สมบูรณ์ มาพื้นฐานทั่วไปก็เป็นไปตามนัยยะขององค์ศีลที่สมาทานกันเพราะเพียงแต่อย่าละเมิดตามที่ได้สมาทานเอาไว้ก็ถือว่าสมบูรณ์ในชั้นนั้นแล้วแต่ในชั้นที่ประณีตเพื่อจะกระทําให้สมบูรณ์จริงๆในแต่ละจุดท่านก็บอกว่าจะต้องเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัว ปัญหาที่น่าศึกษาในช่วงแรกก็คือเรื่องศินขาดขาดก็คือละเมิดศินไปเลยเจตมว่าฆ่าสัตว์ก็ประกอบด้วยเจตนาความพยายามตามองค์ที่ท่านกําหนดไว้แล้วก็ครบองค์ที่กําหนดไว้ก็ชื่อว่าเป็นสินที่ขาดสินทะลุนั้นอาจจะใช้ความพยายามแต่ก็ไม่เต็มตามที่ตัวต้องการจะตั้งใจจะฆ่าสัตว์แต่ก็สัตว์ไม่ตาย ก็ไม่ถือว่าศีลขาดแต่ศีลนั้นก็ทะลุไปบางทีก็ถือว่าศีลหลังถึงก็หมายความว่ามันไม่ถึงกับไปทาให้เขาได้รับบาดเจ็บจิตเงื้อมือจะตีสัตว์แ้วก็ตีผิดแต่ไอเหตุที่ให้ยกมือขึ้นมาเพื่อจะตีสัตว์นั้นประกอบด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างความขุ่นมัวมันเกิดขึ้นแล้วภายในจิต แม้จะไม่สําเร็จตามที่ตนต้องการจะกระทำก็ตามในชั้นก็คุณภาพจิตแล้วจิตก็เปลี่ยนไปตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสอย่างน้อยก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งในชั้นศีลที่ประณีตทัานก็ถือว่าเป็นการทําให้ศีลด่างไปหรือบางทีอาจจะทําให้ศีลพลอยไปคือจางจางไปนิดนิดไม่มีความสมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นเงื้อมือจะ คาสัตว์ในการทําให้ศีลด่างนั้นคือตีลงไปแต่ผิดแต่กระสีพรอยนั้นเงื้อมือแต่ไม่ถึงกับตีถึ่งกร น, นี้จะพบว่าสําหรับศีลที่ชาวบ้านรักษาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าศีลที่พระรักษาท่านปรับเปนะ็นอาบัติปาจิตติในกรณีที่เงื้อมือเพื่อจะตีภิกษุหรือว่าตีใครก็ตาม นี่ก็เป็นเรื่องของความพยายามที่จะให้เข้าถึงสมบูรณ์ในแต่ละชั้นใครมีความเพียรพยายามสามารถกระทำให้สมบูรณ์ได้ในชั้นใดก็ถือว่าเข้าถึงความสมบูรณ์ในชั้นนั้นและจากความสมบูรณ์ในแต่ละชั้นนั้นก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนปฏิบัติบูชาด้วยและได้ชื่อว่าดาเนินไปตามพุทธจิยาของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย อันเป็นการสร้างทางแห่งความสุขความสงบความเจริญก้าวหน้าในด้านจิตใจของตนซึ่งผลจะเกิดขึ้นมากน้อยก็อยู่ที่ขีด ค, ความสามารถในการกระทำให้สมบูรณ์ซึ่งมีลักษณะที่ลึกและประนีตลงไปอาการลาดลึกและประนีตลงไปในชั้นของศีนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะแปลสภาพออกเป็นธรรมะ ลักษณะเหล่านี้สามารถที่จะอุปมาได้เหมือนกับว่าการหัดเขียนหนังสือในครั้งแรกจะต้องมีคนช่วยจับมือให้จะต้องมีเส้นบรรทัดที่บางครั้ไปเขียนบางครั้งอาจจะขีดเป็นตารางสีเรียมยไปโดยําไปแต่เมื่อเขียนจนชำนิชำนาญแล้วลคนที่จับมือให้เขียนก็ปล่อยไปตัวเองก็เขียนไปได้เพราะสายการบรรทัดบ้างรูปสีเรียมบ้างแล้วก็ประนานเข้า แม้จะมีบรรทัดหรือไม่มีบรรทัดก็สามารถเขียนได้อาจจะโยเยไปบ้างแล้วม่เขียนไปบ่อยๆจะแม้ไม่มีบรรทัดก็เขียนให้ตรงเหมือนกับมีบรรทัดได้หมายความว่าในชั้นนี้มันก็กลายเป็นธรรมะคือเป็นปกติเป็นพื้นอัธยาศัยของบุคคลเหล่า น, นั้นแล้วจะเขียนเมื่อไร่เขียนที่ไหนเขียนอย่างไรมันก็เขียนได้โดยไม่จําเป็นจะต้องมีบรรทัดหรือมีคนบอกหรือมีคนคุมแต่ประการใดพอมาถึงธรรมะ จำนวนก็ลดลงไปเพราะพอคุมเข้าถึงจิตแล้วจำนวนศีลก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นอะไรเพราะการเคลื่อนไหวของคนนั้นจะเป็นศีลเป็นธรรมะอยู่ในตัวซึ่งวยหลักเหล่านี้เป็นเงี้ตัวอย่างเช่นในตอนตอนต้นพุทธสมัยที่พระเจ้าทรงประกาศประสาศาสนาตั้งหกเจ็ดปีแรกนั้นไม่มีวินัยเลยสักข้อหนึ่งไม่มีศีลสักข้อหนึ่ง แต่ว่าแต่ละท่านนั้นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาโดยอัตโนมัติไปเลยการเคลื่อนไหวทั้งหมดของท่านเป็นความเคลื่อนไหวโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาอยู่แล้วหรือไม่จำเป็นจะต้องเรียกข้อนั้นอย่างนั้นข้อนี้อย่างนี้การปฏิบัทในชั้นที่ลดหล่านลงมาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อเข้าถึงศีลที่สมบูรณ์ในชั้นที่เข้าถึงจิตด้วยจิตก็จะคุมอาการทางกายทางวิช า, าของบุคคลให้ ดำเนินไปโดยปกติที่เรียกว่าสีลสัมปทาได้ในชั้น น, น, นั้นๆประการต่อไปก็คือหลักของทรงสมบูรณ์ด้วยอินทรียสังวรคือการสำรวมระวังอินทรีการสำรวมระวังอินทรีของพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ใช่สำรวมอย่างที่เราสำรวมแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นตกไปจากพระทยัย รูปก็สักแต่ว่รูปเสียงก็สักแต่ว่เสียงกลิ่นก็สักแตว่กลิ่นรสก็สักแต่ว่รสสัมผัสก็สักแต่ว่สัมผัสเพราะว่าพระทัยของพระองค์นั้นไม่หวั่นไหวไปตามอํานาจของอารมณ์ดนั้นไม่มีตั้งความยินดีและความยินไร้ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลอื่นซึ่งกรณีเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แตัสรู้แล้ว วันนี้เพืสังเกตว่าตอนที่พญามารไปคุกคามพระองค์เมื่อประทับที่ต้นไทรเชื่ อ, อัจจปาในโครธนั้นเป็นลักษณะคุกคามขู่ให้โกรธแต่พระองค์ก็ไม่หวั่นไหวหลังจากพญามารกลับไปแล้วธิดามานทั้งสามมายั่วยวนให้เกิดรุ่งหลงเกิดรักใคร่รุ่งหลงพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวตอนนั้นในกรณีนี้อาจจะเห็นอาจจะได้ยินอาจจะสุดดมอาจจะลิ้มอาจจะถูกต้องอยู่ก็ได้ แต่ว่าใจจะไม่ฟูกขึ้นไม่ฟุบลงด้วยความชอบและความชังเยี่ยงใจของสา ม, มัญชนทั้งหลายแต่เพราะว่าพุทธเจ้ามาสอนให้แก่ประชาชนจะไปอยู่ในจุดนั้นคงเป็นไปได้ยากเพราะใจภายในนั้นมีกิเลสจุเป็นนั้นมากเป็นเชื้อพร้อมที่จะรับเชื้อบวกมาจากข้างนอกวิธีการสอนแนวอินทรียสังวรจึงสอนมาจาก การเลือกสถานที่อยู่การเลือกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องคบหาการเลือกสถานที่ที่จะไปที่เราใช้คําว่าเสนาสนะสปายะปุกะระสปายะคือคนก็เสานาสนะก็เป็นที่เกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติการสร้างความสงบไปเกิดขึ้นแก่จิตใจของตน้ แ, แก่สถานที่ที่ ไม่มีลักษณะทางอารมณ์ซึ่งกระตุ้นด้วยเร่งร้าให้เกิดความกําหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มหลงหรือเกิดความมัมเมาบางครั้งท่านจะใช้คําว่าสุญญากะสุญญากานคือที่ว่างเปล่าบางครั้งท่านก็ใช้คําว่าวิเวกคือปะวิเวกได้แก่สงัดจากเสียงจากรูปที่มารบกวนจิตใจของบุคคลให้เกิดความกําหนดเกิดเคืองรุ่มหลงมัวเมา แต่ว่าชั้นหนึ่งเกิดงดเว้นจากการครบหากับบุคคลซึ่งมีลักษณะกระตุ้นให้เกิดอย่างนั้นให้เกิดความรู้สึกในลักษณะ น, นั้นก็แสดงตามแนวของมงคลสูตรที่ว่าการไม่คบผาการครบบัณฑิตการบูชาผู้คลบูชานั้นเองก็เป็นว่าห อ, อเบื้องตน้นที่จะนาบุคคลเข้าหาเกี่ยวข้องกับอารมณ์กับบุคคลที่ไม่ มีลักษณะกระตุ้นให้เกิดความกับหนักกระเทือนรูหนุ่ม่วงเมาตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าคุณธรรมความดีทั้งหลายที่จะนำไปสู่การสงบระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกภายในจิตใจของบุคคลนั้นก็อาศัยประสาทสัมผัสเหมือนกันการสำรวมระวังจึงมุ่งเน้นไปเฉพาะในกรณีที่อารมณ์นั้นจะทาใจของตนให้เกิดความกําหนัด เป็นการเพิ่มโลภะหรือราคะเกิดความขัดเคืองเป็นการเพิ่มโทสะหรือโมเป็นการเพิ่มโทสะพยาบาทอาฆาตลุ่มหลงเป็นการเพิ่มโมฆะหรือมัวเมาเป็นการเพิ่มความขาดสติหรือความประมาทเท่านั้นแต่ถ้าอารมณ์เหล่าใดก็ตามที่มีนิยยะตรงกันข้ามคือหมายความว่าได้เห็นได้ยินได้ทราบได้สุดดมไปแล้วใจเริ่มผ่อนคลายความกำหนัด ผ่อนคลายความขัดเคืองเคลืองผ่อนคลายความร่มหลงผ่อนคลายความมัวเมาลงไปได้ก็ทรงสอนให้ใส่ใจมณจิการ้ึงอารมณ์นั้นข้อนี้เป็นไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ในสภาสะวะสังวรสูตรหรือประสูตรที่ว่าโดยวิธีการละกิเลสทั้งหลายโดยเน้นไปที่จุดของการกระทําใจเพียงอย่างเดียวว่า เมื่อบุคคลใส่ใจในอารมณ์อันใดแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็อย่าใส่ใจเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าอารมณ์ใดเมื่อบุคคลใส่ใจไปแล้วกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ให้ใส่ใจถึงสิ่งเหล่านั้นมาถึงนี้มาถึงชั้นนี้เพิ่งสังเกตว่าเป็นการสอนให้ใช้ปัญญาแล้ว บางครั้งอาจจะได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้สิ่งต่างๆแต่ปัญญาเข้ามากำกับจิตหรือสติเป็นตัวระลึกรู้ได้ระลึกรู้ทันต่ออารมณ์เหล่านั้นปัญญาเข้าไปวินิจฉัยอารมณ์เหล่านั้นแม้จะได้ยินได้เห็นได้ทราบได้สุดดมได้ลิฟได้ถูกต้องโจก็สติบ้างปัญญาบังสติไปปิดกั้นกระแสอารมณ์หล่านั้นเอาไว้ หรือปัญญาเข้าไปตัดลักษณะที่ทรงแสดงแก่ท่านพายะธรุจริระซึ่งมากราบทูลถามปัญหาในขณะที่เสด็จเดินบิณฑบาตเสด็จพุทธดาเนินบิณฑบาตอยู่พระเจ้ารับสั่งโดยสรุปซึ่งเป็นอาการสรุปอินทรีย์วิธีหนึ่ง แต่หมายความการสํารวมอินทรีย์ชั้นนี้จิตใจของบุคคลจะต้องแกร่งจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติสัมปชัญญะความเพียรจะต้องมีกําลังมากพอถ้าไม่อย่างนั้นทําไม่ได้นั่นก็คือการสร้างความรู้สึกเวลาประสาทสัมผัส ข, ของตนไปพบเห็นรูปเป็นต้นก็ให้มีความรู้สึกว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่กลิ่นสักแต่ว่รสสักแต่ว่าปุาาภะ ค, คือสิ่งที่มากระทบเท่านั้น แต่การพิจารณาเช่นนี้การตัดได้เช่นนี้ปัญญาจะต้องแหลมคมมากพอจึงจะตัดได้เพราะตัดได้ในส่วนอารมณ์ปัจจุบันมันก็ตัดได้ในส่วนนิดนิคนนี้ก็เป็นไปตามที่ทรงแสดงไว้ในที่ละละหลายๆแห่งคือส่วนมากก็จะเน้นไปในแนวนี้เขียนว่าถ้าจับได้อย่างนั้นแล้ว ต่อไปแม้ใจจะเป็นเหนียวถึงสิ่งเหล่านี้ในอดีตก็ดีอนาคตก็ดีในปัจจุบันก็ดีก็จะตมองเห็นในสภาพอย่างเดียวกันวรามันสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าปวดตะพระสักแต่ว่าธรรมารมเท่านั้นแล้วก็หยุดความคิดเอาไว้ไม่ปล่อยความกำหนัดความขัดเคืองรุก ล, ลงมัวเมาครอบงำจิตได้แต่ถ้าหยุดไปแล้วเพ่งพินิษพิเจนา หาความรู้ความเข้าใจที่ถูกตรงในสิ่งเหล่านั้นก็การเป็นการใช้อารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของวิปัสสนาคือพยาไม่เกิดความเห็นอย่างแก่มแจ้งในสิ่งนั้นๆมีการผ่อนคลายความกำหนัดไปได้ก็เป็นหลักปฏิบัติท่านการวินิจัยจึงอยู่ที่ว่าจะเพิ่มกิเลสหรือเพิ่มธรรมถ้าเพิ่มกิเลสก็สำรวมระวังเอาไว้ในชั้นต่างๆ ถ้าเพิ่มธรรมะก็มานัสสิกานใส่ใจสนใจน้อมนำสิ่งเหล่านั้นมาไว้ภายในใจตนแนทางอินเรียสังวรจึงเล้นไปเฉพาะอารมณ์ที่เกิดกิดเลสเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ว่าอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ต้องไปไม่ใส่ใจเสียด้วยหลักการสำคัญก็คือหยุดอยู่ที่โยนโยนิโสนัสสิกา น, นที่กล่าวแล้วในตอนต้นว่า อาจจะมองถึงสิ่งนั้นหรืออาจจะมองผลกระทบเพราะที่จริงสิ่งนั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไรแต่ว่าผลกระทบต่อใจของตนหลังจากไปยอมรับสิ่งนั้นว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในแนวไหนถ้ามีความมั่นใจเชื่อใจได้ว่าจะก่อให้เกิดความคลายกำหนัดขัดเคืองรุ่งหลงเมาอได้ก็ามาดิการใส่ใจถึงอารมณ์เหล่านั้นในขณะนั้นๆได้แต่ถ้ายังไม่มั่นใจแล้วก็หลีกเว้นไปเสียก่อนเพื่อเสริมสร้าง จิตใจของตนได้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วจึงไปดูไปฟังอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็น้อมนำมาพิจารณาเพื่อให้เกิดอาการผ่อนคลายความกำหนัดเกิดเคืองเป็นต้นลงไปในข้อต่อไปสงใช้คาว่าโภชนเนมมัตตัญญาคือความเป็นผู้รู้จักประมาณในพัตตาหารคือในสิ่งที่บุคคลจะต้อง รับประทานต้องดื่มต้องลิ้มต้องกินเข้าไปพระวที่จริงก็เน้นไปในทางอาหารที่เข้าไปทางปากแต่ถ้ามองในแนวของการปฏิบัติด้วยแนวขององค์ธรรมก็จะเห็นว่าคาว่าอาหารนั้นได้แก่สิ่งที่นำผลมาอาจจะเข้าไปทางปากก็ได้หรืออาจจะเข้าทางอื่นก็ได้แต่ก็นำผลมาได้สิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าอาหาร ประเภทของอาหารพระพุทธเจ้าจึงทรงจำแนกสแสดงออกไปเป็นสี่ประเภทประเภทแรกเรียกว่ากาัลิงกะาอาหารคืออาหารที่จะผ่านเข้าไปทางปากอาจจะดื่มก็ได้อาจจะกินก็ได้อาจจะลิ้มก็ได้อาจจะชิมก็ได้แต่ว่าผ่านเข้าไปทางปากประการต่อไปคือผัสสะอาหารอาหารที่ผ่านไปทางประสาทสัมผัสต่าอืดได้แก่ตาหูจมูกตินกายใจ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นเองประการที่สามเรียกว่าวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณวิญญาณก็คือจากจากุวิญญาณความรู้ความรู้ทางตาเป็นต้นภาษาอาหารนั้นที่จริงก็ต่อจากวิญญาณคือการกระทบที่ต่อเนื่องกันของอายตนะภายในกับ อ, อายตนะภายนอกอย่างที่ท่านเรียงว่า อายตนะภายในภายนอกมากระทบกันก็เกิดเป็นวิญญาณถ้าอายตนะภายในภายนอกวิญญาณนั่นเองเราเรียกว่าสัมผัสหรือเรียกว่าผัสสะมันจะพูดในช่วงใดช่วงหนึ่งก็มีความเกี่ยวเนื่องถึงกันแล้วมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาได้แก่ใจที่เป็นเหนียวนึกเหนียวนึกอารมณ์ที่นําผลมากระทบใจแต่การกระทบนั้นอาจจะบวกก็ได้อาจจะลบก็ได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะพิจารณาเห็นได้ว่าบางครั้งเราอยู่ของเราดีๆแต่ใจเป็นเหนียวนึกอารมณ์บางอารมณ์ขึ้นมาก็นําความขุดมัวนําความอึดอัดขัดข้องไม่สบายใจมาสู่ตนเองเป็นลักษณะของวิตกที่เป็นอกุศลหรือว่าความด âm ฤตหรือสังกัปปะที่เป็นอกุศลนั่นเองแต่บางอย่างนั้นใจเป็นเหนียวนึกถึงสิ่งที่มีความดีความงาม ก็ได้ผลต่อจิตใจคือมีความปีปติปราโมทย์เออบิมเกิดขึ้นภายในจิตใจแต่นั้นลักษณะของมโนสัญเจตนาอาหารหรือคําว่าอาหารจริงๆท่านบอกว่าสิ่งนําผลมาแต่ก็ไม่ได้บอกว่าผลบวกหรือผลลบ ก, ก็ขึ้นอยู่กับเรานําอะไรมากทำนองการรับประทานอาหารในชีวิตประจําวันนี้เองถ้าหากว่าออสิ่งที่นําเข้าสู่ปากมีโทษมีภัยมันก็นําผลมาเหมือนกันแต่ผลในทางทังความเดือดร้อน สิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายนําเข้าไปก็นําผลที่ดีงามมาถูกร่างกายแม้ในอาหารส่วนหนึ่งอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้นปัญหารเรื่องการรับประทานอาหารนั้นเป็นปัญหาใหญ่ในการประพฤติปฏิบัติหรือแม้ในการดํารงชีวิตที่เราพูดว่าปัญหารเรื่องปากเรื่องท้องกราเฉพาะในส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมะถ้าอาหารมากเกินไปก็ขอให้เกิดปัญหาในทางเศรษฐกิจด้านประการหนึ่ง และก็ปัญหาในทางอารมณ์เพราะว่าเมื่ออาหารมากขึ้นอาการของนิวรณคือธีนามิทะ ก, ก็เพิ่มตามขึ้นไปในกรณีของอาหารที่น้อยไปก็มีปัญหาทางสุขภาพกายเหมือนกันแต่ในด้านสุขภาพจิตนั้นคือธรรมจิตสายดิ้นรนไปเพราะถูกทุกขเวทนาอันมีความหิวเปนเนิดเข้าครอบงำในขณะนั้นๆั้นดังนั้นจึงทรงสองในให้รู้จักประมาณ แล้ส่งเน้นไว้ตั้งแต่โอวาตปาติโม่คือคำสอนตอนต้นๆแล้วเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของบุคคลนั้นขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่ถ้าสิ่งเหล่านี้มากไปหรือน้อยไปก็มีปัญหาเพราะทำอย่างไรจึงอย่าให้มีปัญหาคือมีปัญหาแต่น้อยก็ให้รู้จักประมานในการบริโภคพัตหาร รู้จักประมาณในการรับอาหารทางหลายรับประมาณในการรู้รูปทางตารู้จักประมาณในการในทางสัมผัสรู้จักประมาณในการคิดเป็นต้นมันก็ที่จริงแล้วก็มีผลต่อเนื่องกันทีนี้การที่จะรู้จักประมาณนั้นทำอย่างไรเราต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการรับประทานอาหารและผลที่ต้องการจริงๆ กับผลที่จําเป็นต้องได้ต้องมีต้องเป็นกับผลที่ไม่จําเป็นต้องได้ต้องมีต้องเป็นคือได้มีเป็นหรือไม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เลือกเอาเฉพาะผลที่ต้องการจรงิจรงๆคือจําเป็นขาดไม่ได้การรับประทานอาหารในลักษณะนี้ก็ทําให้เกิดการพินิจพิจารณาเห็นว่ารับประทานอาหารอะไรลงไปแล้วสามารถกระจัดความหิวเก่าได้ป้องกันความหิวใหม่ได้ระงับเบทนาที่เกิดขึ้นจากความหิวได้ร่างกายมีกําลังได้แรง สามารถปฏิบัติภารกิจของตนได้ก็เป็นการเพียงพอแล้วรับประทานอิม่มอย่างไรอย่างไรแม่นอกจากจะมีปัญหาดังที่กล่าวแล้วต่อไปมันก็หิวอยู่นั่นเองรับประทานพอดีต่อไปก็หิวรับประทานอิม่มต่อไปก็หิวรับประทานมากรับประทานน้อยก็มันก็เริ่มหิวกันตั้งแต่นั้นแหละวเพราะนเอาแต่เรียกว่าพอดีพอดีพระยังไ ง, งไงก็ต้องหิวอีกอยู่นั่นเอง แทประการต่อไปก็คือทรงใช้คำว่าชากริยาโนโยะเป็นลักษณะของการปลุกตนเองให้ตื่นขึ้นชาคาระหรือชาคารโรแปลว่าผู้ตื่นประกอบความเพียรด้วยความเป็นผู้ตื่นหมายความว่าไม่ปล่อยตนเองให้หลับในความหลับนั้นก็มี2 อ, อย่างหลับโดยขันได้แก่หลับของร่างกาย ก็ต้องไม่นอนมากเกินไปที่ทรงบ่ไม่เห็นแก่นอนมากนักแต่การนอนก็เป็นความจำเป็นของชีวิตแต่ถ้าตอนนอนมากไปก็ทําให้ชีวิตเป็นหมนัในช่วงนั้นคือไม่คุ้มค่าไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการนอนอีกความหมายหนึ่งก็คือความหลับด้วยอํานาจของกิเลสแต่แก่การประพฤติกระทําอะไรไปตามอํานาจของกิเลสตามแรงผลักดันกระซิบบอกของกิเลสให้ไปนั่นไปนี้ไปทํานั่นทนํานี้ไปด่า ก, กับคนนั่นคนนี้ แล้วไปเดี่ยวเรื่องเหล่านั้นมาคิดมากับกลุ่มเป็นต้นนั้นแสดงว่าเป็นการหลับเป็เอำนาจของกิเลสวัตถุกิเลสสั่งบงการให้ทําให้เพี่ยนไหวไปตามแรงักดันของตนทรงสองนให้บุคคลใช้ความเพียรพยายามในลักษณะทําตนเป็นคนตื่นตัวอยู่เสมอสมลักษณะของเจ้าพุทธคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าเองนั้นโดย การละความชั่วประพฤติความดีไม่มีอีกแล้วแต่ลงอยู่ในฐานะเป็นผู้ตื่นท่านบอกว่าในคืนหนึ่งนั้นแบ่งออกเป็นยามยามในยามต้นพูะเจ้าก็มีภารกิจที่จะต้องอบรมชี้แจงแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นในยามตอนท่ำกลางก็ยังต้องตอบ ป, ปัญหาแก่พวกเทวดาทั้งหลายที่มากราบทาม ในยามใกล้ๆรุ่งคือเลยเที่ยงคืนไปแล้วจึงเป็นยามที่พักผ่อนแต่การพักผ่อนก็เป็นการพักผ่อนเพื่อตื่นก็เรียกว่าสําเร็จสีหัสายาดนอนตะแค ง, งข้างขวาตั้งพระทัยว่าจะลุกขึ้นตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ลุกขึ้นตา ม, ตามนั้นๆนี้พยามปลายก็ต้องทํางานอีกเป็นการปฏิบัติพุท ธ, ธกิจในลักษณะที่ต่อเนื่องกันมาเช่นนี้ถึงเวลาสี่สิบห้าปีเพื่อ ปลุกบุกคคลอื่นให้ตื่นขึ้นตรงนั้นได้ตื่นมานานแล้วขั้นความเพียรในฐานะเป็นผู้ตื่นก็คือความตื่นตัวพยายามที่จะใช้การเวลาของตนให้เป็นไปด้วยความเพียรเวลาจิตว่างๆแทนที่จะเวลาจิตว่างๆภารกิจว่างๆไอ้จิตว่างนั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่เวลาว่างภารกิจต่างๆก็พยายามที่จะน้อมจิตเข้าหาธรรมะ ไม่มีอะไรทำแม้จะอยู่อระยะบทใดก็มานั่งนับลมหายใจเข้าออกเจ้าจะนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคุณคือสรุปนึกเรื่องดีดีให้มาเป็นอาหารของใจใจจะได้ปีติปราโมดได้ความส ง, งบแทนที่จะนำเรื่องซึ่งมีปัญหาก่อให้เกิดความร่ารรอนความกระวนกระวายเข้ามาคิดแล้วถ้าขืนคิดไปแล้วก็มีปัญหาส่วนนี้ที่จริงแล้วถ้าหากว่านรมองจากศีล ก็เป็นการประพฤติปฏิบัติในชั้นศีลที่ประณีตถ้ามองจากธรรมะก็ถือว่าเป็นฐานของธรรมะเบื้องตน้นที่จะนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติกระทำให้มีความสมบูรณ์ในด้านความประพฤติโดยเสด็จรอยบาทพระาศาสดาได้มากยิ่งขึ้นตามกาลังการประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความส ง, งบสืบต่อไป